พร้อมกับพูดเขาชี้ให้เช่ฐาดูรอยอันเคยมีก้อนหินวางอยู่ตรงพื้นเบื้องหน้าริมหน้าผาตัดชันบรรถูกกำลังชนิดหนึ่งเคลื่อนผักให้หลุดลงไปกำลังชนิดนั้นมหาสารมากแลยจะต้องไม่ใช่มนุษย์ปุตุชนเพราะว่าสามารถจะเคลื่อนหินน้ำหนักเป็นปันให้ล่วงหลุดไปได้โดยอาศัยแรงส่งของก้อนหินที่วางอยู่หมินเมก่อนแล้วเป็นทุนไอเสือกตัวนั้นมาผักก้อนหินนี้หรือ เช็ดถาร้องลั่นโดวยวิธีในวิธีหนึ่งซึ่งผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันอาจจะใช้ปีนตะกายดันอาจจะเอาสีข้างเบียดปะทะหรืออาจวิ่งเข้าชนแต่มันแน่ๆครับเพราะผมเห็นตอนที่เหงยขึ้นมาเนื่องจากได้ยินเสียงก้อนหินลั่นเสียดายที่มันหลบฉากทันอีก ใช้ถ่ายยืนตะลึงคลางออกมานี่มันมีปัญญาที่จะฆ่าเราด้วยวิธีนี้เชีวยวหรืออาจยิ่งกว่าวิธีนี้ก็ได้ครับสำหรับไอ้สมิงพพรยตัวนั้นบันดำเนินการร้ายกับเราครบถ่วนไม่ว่าเคี้ยวเล็บเล่กลนและอุบายทั้งทางตรงและทางอ้อม ระหว่างที่หัวหน้าคณะยังงานไปด้วยความรู้สึกอันไม่สามารถจะกล่าวถูกจอมพานมองลงไปยังพรรคพวกข้างล่างถามว่าพวกเราเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยดีปลอดภัยทุกคนดีไม่มีใครเป็นอันตรายขอบคุณสวรรค์ตอนที่เห็นก้อนหินลอยคว้างลงมาผมคิดว่าไม่ใครก็ใครในพวกเราคงจะแหลกเละกันไปบ้างโชคดีแท้ๆที่ทุกคนหลบลอดได้หมด เช้ถาพยายามก้มลงมองตามพื้นหินอันร้อนระอุราวกับย่างไฟเพื่อจะหาร่องรอยแต่มันก็ปราศจากประโยชน์เพราะมันเป็นหินภูเขาที่แห้งผักแข็งแกร่งและหัวหน้าคณะก็หัวเราะออกมาด้วยเสียงพิกลเออเอากับมันสิ นอกจากจ้องคอยจะขบขย้ำแล้วยังมาดักรอคอยจังหวะทิ้งระเบิดใส่เราได้ซะอีก ด, ด้วยถ้าเป็นลิงหรือช้างแล้วก็จะไม่สงสัยเลยในยุทธวิธีแบบนี้แต่นี่มันเป็นเสือพอเขียหินใส่เราแล้วก็เพ่นหลบไปเลยไวร้ายกาดอะไรอย่างนี้ มันอาจจะรู้อะไรเท่าที่เรารู้เพียงแต่ว่าพูดไม่ได้เท่านั้นเดี๋ยวนี้ผมไม่คิดว่ามันเป็นเสืออีกแล้วแม้ว่ารูปร่างของมันจะเป็นเสือพันใหญ่พูดลอดลอยฝันออกมาคุณพีดเหมือนผมหรือเปล่าหัวหน้าคณะกล่าวโดยเร็วยอย่างฉุกใจบางอย่างอะไรครับพฤติการของไอ้เสือผีตัวนี้ดิเรามาพบแล ะ, ะเผชิญกับมันขณะเมื่อเราเริ่มต้นในการติดตามแงาทรายคล้ายๆกับว่ามันจะพยายามสกัดกั้นทําลายแผนการไม่ให้เราตามแงาทราย ไ, ไปอย่างนั้นแหละ เรายิ่งได้ร่องรอยของแง่ทรายกระชันชิดเข้าไปเท่าไหร่มันก็ขัดขวางเล่นงานเราหนักข้อขึ้นเท่านั้นสมมุติว่าถ้าไม่เกิดเหตุให้เราต้องพยายามตามแง่ทรายไปได้ผีกองกอยมามันจะมายุ่งเกี่ยวกับเราไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันยังอ่านอะไรไม่ถูกแต่อย่างน้อยเคลเมอร์กับพวกของเขาก็ตกเป็นเหยื่อของมันมาก่อนแล้วเมื่อเขาผ่านเข้ามาในเขตมาริตยูนี่จากหลักฐานของบันทึกที่เขาได้เอ่อยอ้างไว้ ระหว่างที่ทั้งสองยืนพูดกันอยู่เสียงชา ย, ยันก็กูเรียกขึ้นมาเพราะเห็นทั้งคู่ขึ้นไปยืนนิ่งอยู่บนชะง่อนผารัฐพินกับเชฐถาชวนกันไต่กลับลงมาอย่างเบื้องล่างแล้วพักพวกทั้งหมดก็เพิ่งจะทราบว่าอะไรเป็นอะไรสาเหตุที่ทำให้รัฐพินกวดตามขึ้นไปบนไหลผ่ผาดารินกับมาเรียตะลึงพึงเพลิดไปแทบจะเชื่อซะไม่ได้ส่วนชา ย, ยันตาเหลือก อีแบบนี้ถ้ามันแย่งปืนจากพวกเราไปได้มันคงเอาปืนกระบอกนั้นมายิงเราได้เหมือนกันไอ้เสือผีตัวนั้นให้ธรณีสูบเดี๋ยวนี้เถอะฉันนึกว่าก้อนหินก้อนนั้นมันล่วงลงมาเพราะอุปตะวะเหตุคิดไปถึงเลยว่าไอ้ชิบหายนั่นจะผักลงมาใส่เราคุณแน่ใจเหรอผู้กองว่าเมื่อกี้นะ่ะคุณเห็นมัน ยิ่กว่าแน่อีกครับคุณชา ย, ยันถ้าไม่งั้นผมคงไม่กวดตามขึ้นไปหรอกแต่มันก็นกรู้เหลือเกินไม่ยอมโผล่เงาให้เห็นแม้แต่ปลายหางภู ม, มิประเทศอำนวยให้มันอีกตามเคยเพราะเป็นดงหินที่หลกกบกําบังซ่อนตัวเต็มไปหมดแล้วเขาก็หันมาทางมรวรหญิงดารินจ้องอยากจะสํารวจให้แน่ชัดว่าตัวตนของหลอนยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เปมือนเช่นที่ตาเห็นในขณะนี้หรือเปล่าพร้อมกับเป่าลมออกจากปากปืนพันผมนึกว่าคุณหญิงแหลกไปซะแล้ว ตอนที่ก้อนหินนั้นกลิ้งเข้าใส่พ่อเห็นยืนตะลึงไม่ขยับขยื้อนอยู่คนเดียวราชาสกุลสาวฝืนยิ้มออกมาอย่างแห้งแรงที่สุดมองไปยังมาเรียคู่ปรับในยามปกติทว่าเพื่อนแท้ในยามคับขันของหล่อนด้วยสายตาที่สำนึกในการตกเป็นหนี้ชีวิต ถ้าไม่ใช่พ่อเมย์ช่วยไว้ทันฉันก็คงแหลกไปอย่างที่คุณว่าหรือใครๆเข้าใจแล้วประสาทของฉันช้าเกินไปขอบใจเมย์ประโยคหลังหล่อนทันไปบอกกับเพื่อนสาวต่างผิวด้วยคำพูดเพียงสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายมาเรียสันศีรษะใบหน้าเครียดตอบต่ำๆ ทำไมถึงจะต้องมาขอบใจคนที่เคยเป็นหนี้ชีวิตเธอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนฉันช่วยเธอไว้ในครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะชดเชยกับสิ่งที่เธอทำให้แก่ฉันมาแล้วเพราะมันมากเกินกว่าที่จะตอบแทนได้ฉันต่ำไปเพราะสัญชาตญาณเท่านั้นอย่ามัวแต่ตื่นตะลึงกันเลยช่วยกันตรวจสอบเดี๋ยวนี้เธอว่าสัมภาระข้าวของอะไรของเราถูกหินนรกนั่นบดแหลกเสื่อไปบ้างหรือเปล่าฉันเป็นห่วงแต่เรื่องเครื่องเวชภัณฑ์ของเธอเท่านั้นแหละน้อย ทุกคนนึกขึ้นมาได้ตามคำพูดของสาวเลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสต่างหันไปสั่งพวกลูกหาบที่กำลังยืนพูดกันแซดรักคนไปกับเสียงสะบด์พุทธวา่แช่งต่อเหตุการณ์แล้วแยกย้ายกันออกตรวจสอบหีบหอสัมภาระโดยเร็วเช้ถขาไต่เนินลงมาหยิบซากไรเฟลิลอันแหลกย่อยยับของเขาขึ้นมาพิจารณาดูอย่างเสียดายพร้อมกับโครงศีรษะนอกจากพานท้ายที่แตกสะบัด กลายเป็นเศษไม้แล้วตัวลำกล้องเหล็กบริเวณลูกเลื่อนและหลังเพลิงยังถูกกระแทกซะจนเหล็กกล้าทั้งดุ่นบิดเบี้ยวไปอีกสี่คนตามเข้ามาล้อมดูอยู่ด้วยพร้อมกับเสียงอุทานหัวหน้าคณะส่งเหล็กลำกล้องไปให้รับพินและเบปป้ปากชา ย, ยันหัวร้อหึๆตบไหลสหายของเขาอย่าไปมัวปรงอนิจจงเสดงเสดายอยู่กับไอ้ปืนกระบอกนี้เลยดีแล้วละที่มันรับเคาะแทนแกซะได้ แล้วคราวนี้ฉันจะเอาปืนที่ไหนใช้เชิด้าบน่นได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วมาจากพรานใหญ่ในมือของรับพิมขณะ น, นี้ถือไรเฟริลชูอยู่สองกระบอกข้างละมือกระบอกหนึ่งก็คือ .460 Weatherby Magnum อันเป็นสมบัติของดรฮอฟมันซึ่งขณะนี้เขารับภาระถือติดมือมาด้วยตลอดเวลานับตั้งแต่แง่ทรายหีหายไปส่วนอีกกระบอกหนึ่งเป็น .458 ซึ่งเป็นไรเฟริลประจํามือที่เชิดามอบให้ก่อนออกจากหลุมช้างนี่ยังไงครับ เรามีไฟ์เสำรองอยู่อีกกระบอกนึงผมคนเดียวถือกระบอกหนึ่งสภายอีกกระบอกหนึ่งเก้งก้าวเป็นภาระนานแล้วตั้งแต่เจ้าแงซายหนีไปคราวนี้ถึงเวลาที่คุณชายจะต้องแบ่งภาระไปบ้างเรื่องเอาได้สุดแต่ใจชอบจะเอาจุด4 58ขนาดเดิมที่เคยถนัดหรือถ้าจะให้อุ่นใจที่สุดก็ควรจะเป็นจุดสของดรฮอฟมันกระบอกนี้ สุภาพบุรุษในราชสกุลยิ้มเข่นเข่นขณะ น, น, นั้นชัยยันก็ส่งจุดนในโตรมาให้อีกกระบอกหนึ่งบอกว่ารือแกจะเอาไอ้รูโตของแกกระบอกนี้คืนไปก็เอาฉันแบ่งเอาจากรระพินก็ได้แบ่งให้หลายลูกของแกตามปบดำเดิมเถอะไม่รับประทานหรอกไ อ, ปอ้ปต อ, อกระบอกนั้นนะ่ะ เชิาว่าพางปัดปืนของชายยันเฉยไปอย่างไม่สนใจหันไปคว้าจุดสี่กศูนย์จากมือของรัพพินดอถ่วงน้ำหนักแล้วทดลองยกขึ้นประทับไหลถอดลุกเลื่อนดูกระสุนที่บรรจุพร้อมอยู่ในลังเพลิงศูนย์เป็นยังไงยังไม่เคยยิงสักทีกระบอกนี้ใช้ได้ครับผมปรับไว้แล้วจะให้ดีลองทางปืนให้รู้ไวสักทิศก็ได้กระสุนสาหรับปืนกระบอกนี้เหลืออยู่เท่าไหร่สบดนัด หัวหน้าคณะหมุนตัวไปรอบๆแล้วเขาก็ประทับไรเฟิลขนาดหนักกระบอกนั้นขึ้นเล็งผ่านศูนย์กล้องขึ้นไปยังปลายชง่งอนหินบนหน้าผาตอนหนึ่งระยะห่างออกไปประมาณ150หลาลักษณะของมันเป็นตุ่มงอกเด่นออกมาลูกขนาดมะพร้าวห้าวทุกคนงานมองตามดาวริงกับมาเรียผู้ยืนยืงไปทางปากกระบอกที่ส่ขึ้นไปหลีกอ้อมมายืนทางด้านหลังในขณะที่พวกพลานพื้นเมืองพากันนั่งยองๆกับพื้นยกมืออุดหูอย่างนกร ครู่เดียวมันก็ระเบิดตูมสะเทือนลั่นเลื่อนไปทั้งซอกเขาเศษดินที่เกาะอยู่กับผนังผาข้างเคียงร่วงพลูเสียงนั้นทุ้มหนะักและสะท้อนดังคลื่นอยู่ในคุนเขาไกลรอบด้านร่างอันสูงใหญ่กำยำของราชสกุลหนุม่มสถานยวกพงะเซถอยหลังมาก้าวหนึ่ง ภาพที่ทุกคนเห็นแง่งหินขนาดลูกมะพร้าวนั้นกระเด็นขาดหายไปในพริบตาชนิดหาซากไม่พบเหลือไว้แต่ม่านควันขาวมัวตรงบริเวณที่มันถูกปิดเปลี่ยวไปเช่ถากระชากลุกเลื่อนสลัดปอกลงกระเด็นกลิ้งอยู่กับพื้นส่งควันกลุ่นแล้วยกมันขึ้นพิจารณาอีกครั้งอย่างพอใจในขณะที่คนอื่นๆยิ้มออกมาด้วยความยินดี ฉันเพิ่งเห็นฟีมือพี่ใหญ่ถนัดตาเดี๋ยวนี้เองมาเรียพูดอย่างตื่นเต้นยินดีบอกมาที่ราชาสกุลหนุ่มด้วยตาอันเป็นประกายนับถือและเคารพยำเกรงไม่มีใครใช้ปืนกระบอกนี้เหมาะสมเท่าพี่ใหญ่รับมันไว้เถอคะค่ะฉันจะยินดีมากหากปืนของสเตเกลกระบอกนี้ถูกใช้โดยผู้ที่ฉันเคารพเสมอพี่ชายร่วมสายโลหิต กำลังหลีกเลี่ยนปืนที่มันถีบหนักๆจนแหลกกับชายันไปทีนึงมาแล้วมาเจอไอ้กระบอกที่ทารุนหนักขึ้นไปกว่าเก่าซะอีกเอาละถึงอย่างไรก็เห็นจะไม่มีทางเลี่ยงพางเหลือบตาดูจอมพานถามว่าอีตอนนี้คุณยิงตะขาบยักษ์ตัวนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมหนากว่าคุณตั้งเงยอะอย่างเต็มกลืน่นพานใหญ่แต่ฝีมืออันเป็นตรงข้ามกับรูปลักษณะอันเพียวกระทัดรัดหัวเราะเบา ก็ตีลังกาไปสองหรือสามครั้งขณะที่ลั่นกระสุนออกไปนั่นแหละครับแต่ตอนนั้นมันไม่รู้สึกอะไรเลยอำนาจความตกใจความกลัวมันทำให้ลืมแรงถีบของปืนซะหมดถ้าจะให้ยิงเป้ากันเล่นๆก็ออกจะขยาดเข็ดเขี้ยวอยู่เหมือนกัน ถนอมมันไว้ให้ดีที่สุดเถอดเชษฐาแรงประทะ8ปดพันกว่าฟุตตอนของมันมีความจําเป็นที่สุดสําหรับไอ้ดงนรกที่แวดล้อมเราอยู่ในขณะนี้ผู้กองของเรารอบค้อ ม, มากที่อุตส่าห์หอบหิ้วมันมาด้วยชา ย, ยันพูดหนักแน่นเครื่องเวชภัณฑ์เป็นยังไงบ้างเชษฐาถามน้องสาวเรียบร้อยปลอดภัยค่ะสัมภาระถูกกระทบแตกไปห่อหนึ่งแต่ไม่มีความหมายเพราะเป็นหอที่บรรจุเครื่องนอนพวกนั้นจัดการห้อมัดเรียบร้อยตามเดิมแล้ว วันน้คณะเดินไต ย, ย้อนลงมาจนถึงชายเนินตำแหน่งที่หินมรณะก้อนนั้นมาหมดฤทธิ์เตจ พิงติดอยู่กับซอกหินใหญ่ตอนหนึง่งจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนระมัดระวังเขาก็บอกกับตนเองว่าที่ผานใหญ่บอกไว้นั้นถูกต้องแล้วหินก้อนนั้นเป็นหินก้อนที่เคยวางอยู่ยังหน้าผาเฉยๆและถูกดันให้ตกลงมาไม่ใช่หินที่ขาดหักจากภูเขาอันเกิดจากถึงการเวลาของมันไรเฟิลที่ถูกกระแทกหักย่อยยับกระบอกนั้นถูกเจ้าของปักเหล็กของลำกล้องเป็นอนุสร์ไว้คาทางเดินแล้วลูกปืนที่ติดตัวเขาซึ่งใช้ประจำกับปืนที่เสียหายไปแล้วก็ถูกส่งม มอบต่อไปให้ระพินเพราะเหลืออยู่คนเดียวที่ใช้ปืนสําหรับกระสุนขนาดนั้นในขณะเดียวกันผ่านใหญ่ก็มอบลูกปืนจด460 Weatherby ไปให้เชิดาเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันที่เขาจะติดตัวไว้อีกและบัดนี้เขาก็ไม่จําเป็นต้องถือกระบอกหนึ่งและสะพายอีกกระบอกหนึ่งให้เกะกะเพิ่มน้าหนักอีกแล้วจะว่าเป็นผลดีหรือผลเสียก็ไม่ทราบเหมือนกันที่ไรเฟริลประจํามือของเชิดาต้องเสียหายและจําเป็นต้องทิ้งไปเพราะเหตุการณ์อันร้ายกาจรุนแรงนั้น รบกับสิงสาระสัตว์มาก็มากเพิ่งจะมาเจอไอ้เสือผีตัวนี้แหละที่เล่นสื้อปืนในายใหญ่พังบุญคําร้องคลางออกมาพร้อมสุปากเบาๆปืนพังไม่เป็นไรขออยากให้ขอมองของพวกเราคนใดคนหนึ่งพังก็แล้วกันใช้ถาตอกท่ากลางความร้อนอบอ้าวจนรู้สึกแสบผิวนั้นการเสียเวลาอยู่ชาร์จกับที่เท่าไหร่เป็นการบั่นทอนกําลังลงเท่านั้นดังนั้นพอตั้งตัวสงบระดับคลาบลงได้กระบวนทั้งหมดก็เริ่มบุกบั่นรุดหน้าต่อไปอย่างทรห็ด ภายหลังหาลือกันไม่กี่คำก็มีมติเห็นพ้องในระหว่างบุคคลชั้นหัวหน้าว่ารูปขบวนจะเป็นไปตามเดิมคือรัพินคุมระวังอยู่ทางด้านหลังและเชษถาขนาบชิดพิทักษุ้มกันให้แก่บุญคำกับขยินอันเป็นลูกหางนำคู่แรกซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้นำทางด้วยส่วนชายยานดารินดลมาเรียเดินระวังเว้นระยะเรียงรายกันอยู่กลางขบวนการจูโจมจาก การยักอันเป็นศัตรูร้ายที่หมายพิฆาตจะมาอีกในรูปใดยังไม่มีใครกำหนดแต่เชื่อตามหลักว่ามันจะไม่ดำเนินการซ้ำรอยเดิมในเวลาไล่เลี่ย ก, กันนอกจากจะสแสวงหาวิธีอื่นต่อไป หนทางนั้นยิ่งสูงขึ้นและสูงขึ้นเหมือนกับว่าได้ไต่ขึ้นไปสู่หลังคาโลกมีดวงตะวันแดงฉานปานลูกไฟแผดแสงกล้าหลอคอยอยู่อย่างไม่มีทางที่หลีกเลี่ยงลงด้านอื่นเพราะรอยของผีกองกอยปรากฏทิ้งไว้ให้เห็นชัดทุกระยะบางครั้งหนทางก็ไต่ชันจนถึงกับต้องค่อยๆปีนป่ายพยุงกันขึ้นไปอย่างเชื่นช้าบางครั้งก็เป็นเนินลาดพอที่จะเดินได้โดยสะดวกแต่ก็ต้องฝืนกับกดดึงดูดของโลกไม่มีความยากแค้นแสนสาหัสใดๆของการเดินทางจะยิ่งไปกว่าการเดิน ขึ้นเขาอันไม่รู้ที่กําหนดทิศหมายขาของทุกคนสั่นดิกและอ่อนเปรี่ยน้องตึงปวดร้าวมีความรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมารองเท้าที่เดินย่ํากันมาจนเคยชินและไม่เคยกัดมาเลยก็จะเริ่มแสดงพิษสงของมันเพราะต้องใช้จิกและยันอยู่ตลอดเวลาทั้งมาเรียและดาวินอยากจะถอดออกทิ้งและเดินไปด้วยเท้าเปล่าอย่างพู้ผ่านพื้นเมืองแต่ก็ตระหนักได้ดีว่านั่นย่อมเป็นสิ่งโหดร้ายทารุณเหนือไปกว่าเพราะพื้นกรวดหินดินลูกลงังทุกตารางนิ้วร้อนเหมือนเตาขนมครก มีฐานลนอยู่ข้างใต้และบางขณะในความสำนึกที่เกิดวุ่วาบขึ้นกลางใจอันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเพราะเหนื่อยหนักของแต่ละคนต่างคิดพิจวงว่าชาติก่อนนี้ตนได้ทํำบาปหนาะอะไรไว้จึงต้องมาได้รับความยากแค้นทรมานเหมือนตกอยู่ในนรกเช่นนี้มันเป็นนรกจริงๆนรกที่พบขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บนพื้นพิภพนี้แม้กระทั่งจอมผ่านรับพินภัยวันเองเขาก็ยอมรับสภาพอันเลวร้ายเลือดตาแทบกระเด็นนี้ ห่างกันประมาณ30บหลาเท่าเดิมในระหว่างหัวขบวนและท้ายขบวนซึ่งคือไต่าตามกันขึ้นไปอย่างไม่สามารถจะเร่งเวลาได้นักกลุ่มข้างหน้า รับสายตาหายขึ้นไปบนตะพักตอนหนึ่งภายหลังจากทยอยปีนป่ายบริเวณที่สูงเป็นหน้าผาราว12บสฟุตนั้นขึ้นไปรับพินยังคงเดินอย่างทอดฝีเท้าถ่วงเวลาอยู่ด้านหลังออมแรงไปพางเพราะเลงเห็นอยู่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะทําเวลาขึ้นเพราะพักพวกด้านหน้าเดินช้าอยู่แล้วทันใดนั้นก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากความคิดคํานึงอีกครั้งเพราะเสียงพูดกันเอะอะของพูดที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วพอเงยขึ้นไปก็เห็นเสยแล่นทลาโผล่ออกมาจากริมชายผานั้น โบกมือร้องเร่มาด้วยเสียงตะโกนกระหึ่ดกระห่นายเร็วขึ้นมาดูอะไรนี่ทุกคนลับกายขึ้นไปหมดแล้วเหลือแต่เขาคนเดียวที่รังท้ายรับพินรวบรวมกําลังวิ่งขึ้นเนินชันแล้วปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปอึดใจเดียวเขาก็ขึ้นมายืนอยู่บนไหล่เห็นกว้างบริเวณหนึ่งซึ่งพรกพวกยืนชมุมนุมกันอยู่ก่อนแล้วตรงชะงอน่่งหินลูกใหญ่บางแสงแดดเป็นเงาร่มลักษณะของมันมองคล้ายๆโพรงหรือคูหาห้องอย่างดีเพราะหินสองลูกตั้งแทนผนังสองด้านและหินใหญ่อีกแผ่นหนึ่ง ปิดทับอยู่ด้านบนแทนหลังคาคนเหล่านั้นกําลังยืนเรียงรายมองดูอะไรอยู่เขายังไม่ทันเห็นพอผ่านแทกเข้าไปถึงที่นั่นผานใหญ่ก็ยืนตัวแข็งแทบจะเชื่อตาตัวเองซะไม่ได้ศพตายแทกซึ่งไม่สามารถจะคาดคะเนอายุของมันได้แทกนั้นนั่นเองมันนั่งเหยียดเท้ายื่นยาวไปข้างหน้ามืออันเป็นหนังหุ้มกระดูกอยู่บนเข่าด้านละข้างหลังพิงกับก้อนหินแข็งทื่อๆราวกับ ก้อนหินทุกก้อนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้จากนั้นนั่งอยู่ในเงาร่มของเพิงหินก่อนที่ใครจะขยับตัวเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปนั่นเองผานใหญ่ก็ร้องห้ามเร็วปืออย่าเพิ่งรับเฉยไว้ก่อนชายยานผู้กำลังจะเคลื่อนเข้าใกล้ก็ชะนักกึกทุกคนจ้องภาพนั้นตาไม่กระพริบด้วยดวงตาอันเบิกโพงแทบจะถลนออกมานอกเบ้าอึดใจใหญ่หญทีเดียวที่ทั้ง11ชีวิต ยืนล้อมมุงจ้องดูตาไม่กระพริบท่บามกลางดุดุดเียภาพทุกคนแน่ใจหรือเปล่าครับว่ามันเป็นซากเดียวกับที่เราพบนอนแช่อยู่ในแอ่งน้ำครั้นแล้วจอมพานก็ประกาศถามขึ้นอย่าไปยังพักพวกโดยไม่เปลี่ยนสายตาเห็นจะไม่มีปัญหาหอกระพินเช่ดถาตอบด้วยเสียงที่แทบจะไม่ผ่านลำคอออกมาแต่ยังจ้องนิ่งอยู่เช่นนั้นคุณสงสัยอะไรอีกหรอชา ย, ยันพร่องออกมาด้วยเสียงสั่นสะท้าน ก็เพราะไม่ต้องการสงสัยอะไรอีกเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะสิครับผมถึงขอสอบถามความเห็นของพวกเราทุกคนเพื่อยืนยันให้แน่ชัดที่สุดคุณหญิงครับโปรดบอกว่าใช่ไอ้ผีตายซากตัวเดียวกับที่เราพบกันมาก่อนนั่นหรือเปล่า นักมนุษยวิทยาสาวสั่นเทิมไปหมดทั้งกายหน้าขาวซีดทุกคนอยากจะเข้าไปใกล้ชิดมันติดขัดแต่ละพินยับยั้งไว้ก่อนมีหล่อนคนเดียวเท่านั้นที่ค่อยๆถอยห่างออกไปโดยไม่รู้สึกตัวมาเรีศสังเกตเห็นอาการที่มีท่าทีเหมือนจะช็อกของเพื่อนสาวก็คว้าแขนไว้มัน่นกระซิบเรียกปลุกสติและเมื่อละพินถามย้ำมาอีกครั้งหล่อนก็มีสีหน้าเหมือนจะร้องไห้เต็มไปด้วยความหวาดสยองพันพึงสุดขีดริมฝีปากคู่นั้นขมุบขมิบ แต่ก็ไม่มีเสียงใดจะเล็ดลอดออกมาได้ในที่สุดก็หันหน้าหนียกมือขึ้นปิดตามันเป็นอาการหวาดกลัวซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับดารินรวราริศผู้แก่งกล้า อกสามสอบใช้ถาเห็นท่าทางผิดปกติก็คว้าตัวน้องสาวเข้ามากอดไว้แน่นกระซิบปอบโยนมาเรียกระโดดเข้ามาประคองอีกคนนึงคงเหลือแต่เพียงชายยันกับพระพินเท่านั้นที่ยืนมองตากันอยู่เสียงมาเรียร้องบอกมาว่าน้อยกําลังจะเป็นลมภัยวันคุณอย่าถาให้เสียเวลาเลยพวกเราทุกคนมีความเห็นตรงกันว่ามันคือไอ้ศพตายซากร่างเดียวกันนั่นแหละหรือคุณคิดว่ามันมีอีกตัวนึงที่มีรูปลักษณะหน้าตาเหมือนกันราวกับลูกแฝดก็ตามใจ เสียเวลาอยู่ทำไมลองเด็ดหัวมันซะด้วยลูกปืนนี่เถอะชายันคำรามออกมาประทับไรเฟริลขึ้นจ้องไปยังศีรษะของร่างนั้นแต่ละผินขยุ่มข้อมือไว้บีบแน่นใจเย็นๆไว้ครับคุณชายันมันเป็นโอกาสดีที่สุดของเราแล้วที่จะพิสูจน์ให้เห็นกันชัดออกไปถึงอย่างไรมันก็อยู่หมัดเราแล้วไม่มีทางหนีไปได้แน่นอนไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทาด้วยอาการขลาดกลัวเช่นนั้น คำพูดอันเตือนสติของเขาทำให้นักผชนภัยหนุ่มชาวพนคอนคิดขึ้นมาได้ลดตื่นลงและพินพูดถูกแล้วเหตุใดเขาจึงจะต้องรีบร้อนทำอันตรายต่อซากอันเห็นนั่งแข็งเป็นท่อนไม้นี่ในเมื่อมันตกอยู่ในกร ม, มือแล้วสิ่งที่จะต้องค้นคว้าหาหลักฐานมันมีอยู่มากมายนะักแล้วก็รู้สึกตนเองว่าเขาตื่นเต้นตกใจเกินไปนั่นเองตรงกันข้ามกับจอมพานผู้เยือกเย็นและมั่นคงที่สุด ระหว่างที่เชิดถากับมาเรกกำลังช่วยกันสารวนประถมพยาบาลดารินโดยการประคองให้นั่งพักเงาร่มและเอายาดมลนจมูกให้รับผินก็ใช้ลำกล้องไรเฟริลค่อยๆแยะทดลองไปยังใบหน้าและลำตัวของซากนั้นอย่างระมัดระวัง ท่อนไม้แก่งๆเราๆดีๆนี่เองคราวนี้เขาใช้ด้ามผ่านท้ายกระทุ้งหนักๆไปที่ศีรษะแล้วออกแรงยันมันให้ล้มตะแคงลงไปนอนก้งโค้งในลักษณะท่านั่งเหยียดเท้าเช่นนั้นตัวโค้องงอเป็นมุมฉากเสียงมันล้มลงไปกระทบพื้นหินดังกึง๊งและไม่ว่าจะเขี่ยกระทุ้งให้มันขยับกระเยื่นไปเช่นไรสภาพแข็งทื่อในท่านั่งชนิดนั้นก็ยังคงอยู่เช่นเดิมผ่านใหญ่หันไปสพตาชายยันอีกครั้งเห็นหรือไม่ฉะนั้นก็ไม้ท่อนชัดๆใช่ไหมครับ ใช่ก็สภาพเดียวกับที่เรามองข้ามไอเสือหินตัวนั้นแหละชา ย, ยันตอบอย่างเยือกเย็นที่สุดขณะที่ดารินซึ่งดูเหมือนจะค่อยอยังชั่วจากอาการวิงเวียนก็แข็งใจเดินเข้ามาโดยการประคองของพี่ชายและมาเรียอันเป็นเวลาเดียวกับที่รับผิดสุดกายลงนั่งพิจารณาดูร่างนั้นอย่างใกล้ชิดโดยมีชา ย, ยันจ้องปืนเตรียมพร้อมคอยระวังอยู่อย่างไม่ไว้ใจ อย่ามองข้ามความจริงอะไรไปเสยอย่างหนึ่งนะเสียงมาเรียบอกมาดังๆเราพบมันครั้งแรกในลักษณะนอนแข็งยาวเหยียดในอ่างน้ําจะจับมันเคลื่อนไหวอย่างไรมันก็แข็งทื่อในท่าเหยียดยาวอยู่เช่นนั้นแต่เราพบในครั้งนี้มันอยู่ในท่านั่งซึ่งเปลี่ยนอรียบทไปจากครั้งแรกพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าตัวมันเองจะต้องเคลื่อนไหวได้ไม่งั้นสภาพที่เคยนอนเหยียดยาวจะเปลี่ยนมาเป็นนั่งได้อย่างไรสมมุติถ้าคิดว่าจะมีสัตว์อะไรมาเป็นพาหานํามันมาจากที่เดิม ทุกคนเห็นด้วยกับเหตุผลข้อคิดของแหมมสาวผู้รอบครอบด้วยความสถานใจระหว่างที่ต่างตะลึงนิ่งคบคิดมาเรียก็บอกต่อว่าและฉันก็กล้าสาบานว่าไอ้ร่างนี้แหละที่โผล่ให้ฉันเห็นในคืนนั้นซึ่งฉันยิงมันออกไปขณะที่ไฟฉายของชา ย, ยันดับจอมพานเม้มลินฝีปากเล็กน้อยมาพบมันเข้าได้อย่างไรครับนี่ ตอนที่ขึ้นมาถึงไหล่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าพวกเราจะแยกกันเต็มทีแล้วก็เลยอยากหาที่พักร่มกันสักครู่เหลือมาเห็นเพิงหินก็เลยหลบเข้ามาแล้วก็พบมันนั่งอยู่ก่อนแล้วตรงนี้แหละผก่พวกวดเข้ามาเห็นครั้งแรกแทบช็อกเชตฐาเป็นคนตอบชัยยันวัดขนาดตีนของมันสิเสียงแหบผ้าดังมาจากริมฝีปากของดารินเป็นประโยคแรก ทั้งหมดเพิ่งจะคิดถึงได้และเข้าใจความหมายของนักมนุษยวิทยาสาวในทันทีนั้นก่อนที่อดีตนายทหารปืนใหญ่จะปฏิบัติตามคำแนะนําของดาวรินและผินก็เดินอ้อมไปทางปลายเท้าของซ่าสํารวจอย่างพินิษพิจรารณาทุกคนนอกจากดาวรินก็มุ่งเข้ามาตรวจที่เท้านั้นแล้วอึ้งกันไปหมดอีกครั้งว่ายังไงผู้กองใช้ถากระซิบเบาที่สุดจอมผานกืนน้าลายลงคอแล้วเอานิ้วเช็ดเหงื่อที่เกาะพราวอยู่บนขนตาเท่ากันพอดีครับไม่เพียงแต่ตีนเท่านั้น ที่เท่ากันที่เราเห็นอยู่นั่นแต่ฟาตินของซากนี่ยังเห็นได้ชัดว่ามีการเหยียบดินมากับพื้นจากรอยฝุ่นและเศษดินที่ติดอยู่ ขาดคำท่ามกลางความพึงเพลิดของทุกคนแล้พินก้มลงคว้าข้อเท้าทั้งสองของศพตายซากอันแข็งทื่อเป็นท่อนไม้นั้นลากโกกจากใต้เพิงที่มันนอนอยู่ออกมาสู่พื้นหินโล่งเบื้องนอกท่ามกลางแสงแดดอันแผดเปรี้ยงใครต่อใครที่ขวางทางอยู่เบื้องหน้าเขาพากันกระโดดหลบหนีห่างออกไปอย่างลืมตัวพอมาสู่แสงแดดเบื้องนอกเขาก็ปล่อยมันให้นอนตะแคงกูค้คูแข็งกระด้างอยู่เช่นนั้นหอยกลับมายืนอยู่กับพรรคพวกกล่าวต่อมาด้วยเสียงคํำราม ถูกต้องตามที่คุณหญิงเข้าใจแล้วครับไอ้นี่เดินได้จริงทุกสายตาจับนิ่งไปที่ร่างนั้นเป็นเป้าเดียวด้วยความรู้สึกอันไม่สามารถบรรยายได้เชิดขาเดินตรงเข้าไปอย่าง ช, ช้าๆใช้ปลายไรยเฟริลทดลองเขี่ยดูด้วยตัวเองซึ่งเขาก็ไม่สามารถค้นพบอะไรมากไปกว่าซากอันแข็งกระด้างเป็นท่อนหินปราศจากชีวิตจิตใจผมพอจะนึกอะไรออกแล้วหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นห้าว ตลอดขึ้นชั่วโมงหลังมานนี่ไอ้โครงดําตัวนั้นใช้ความพยายามทุกวิถีทางเท่าที่มันจะทําได้เพื่อจะหลอกล่อและสกัดกัน้นโดยหมายเปลี่ยนทิศทางเดินของเราซะไม่ให้มุ่งมาทางด้านนี้มันรู้ว่าถ้าเรามุ่งมาตามเส้นทางเดิมเราก็จะต้องมาพบเข้ากับซากนี่จึงก่อกวนดึงความสนใจให้ออกนอกเส้นทางตลอดเวลามันไม่ต้องการให้เรามาพบร่างนี้เข้านั่นเองจริงของแกเชิดามันจะต้องเป็นอย่างที่แกสันนิษฐานนั่นแหละชา ย, ยันร้องบอกมาอย่างร้อนรน คุณหญิงจะไม่เข้าไปตรวจดูมันอีกสักครั้งหรอครับผานใหญ่หันมาถามราชสกุลสาวผู้ยืนนิ่งอยู่ดาวรินสันศีรษะโดยเร็วสีหน้าของหล่อนสอให้เห็นชัดว่าพยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับอำนาจบางสิ่งบางอย่างที่วิ่งเข้าจับใจ ไม่มีประโยชน์กฎของสรีระและชีววิทยาไม่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้กับเจ้าสิงประหลาดหน้าสยดสยองนั่นถ้าจะถามความเห็นของฉันในขณะ น, นี้ก็บอกได้อย่างเดียวว่าจะโดยวิธีใดก็ตามจงทำลายมันซะให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะพวดพลาดลุกขึ้นทำร้ายหรือวิ่งหนีเราไปซึ่งซึ่งหน้าใจเย็นๆไว้ก่อนขอพิจารณาดูมันให้เต็มตาอีกหน่อยเถิดก่อนที่จะตัดสินใจจัดการอะไรอย่างไรลงไป เชตห า, าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความสะดุ้งสะเทือนจนเสียขวัญกล่าวขึ้นพร้อมกับยิ้มดุดดุใช้เท้าเขียละเหยียบลงไปบนซากนั้นแล้วในที่สุดก็ทดลองสัมผัส ด, ด้วยมือเองโดยไม่สนใจกับเสียงร้องห้ามของน้องสาวผู้จิตใจคลองด้วยความหวาดกลัวแล้วก็เหงื่ขึ้นยิ้มกับทุกคนที่แวดล้อมอยู่กล่าวต่อมาว่าให้ตายเถอะผมมีความคิดใหม่เกิดขึ้นแล้วแทนที่จะทําลายล่างมันให้สลายไปเดี๋ยวนี้กับอยากที่จะให้มันเคลื่อนไหวลุกขึ้น อยากจะให้พูดคุยสัมภาษณ์กับมันซะ จ, จริงๆเผื่อบางทีมันจะบอกอะไรกับเราได้บ้างไม่ว่าจะทางด้านร้ายหรือด้านดีก็ตามสวรรดีทรงโปรดเถอะขออยากให้ไอ้ผีตายสร้างนั่นลุกขึ้นมาได้อย่างที่พี่ใหญ่ต้องการเลยพวกเราจะช็อกกันทั้งหมดมาเรียร้องลั่นมาว่าถอยออกมาเชิดฐาฉันอยากจะลองเอาลูกปืนผ่าสมองของมันดูชา ย, ยันผู้กระเฮี้ยนกระหายพูดเฮี้ยมๆระทับไรเฟิลขึ้นแต่เชิฐาไม่ยอมลุกขึ้นจากการนั่งยองๆ อ, อยู่ข้างซ่าสันส่นศีรษะ ป่วยการทำไมถึงจะต้องเสียลูกปืนด้วยกับไอ้ซ่าแข็งโป๊กนอนนิ่งเป็นท่อนไม้นี่เรามีวิธีใช่จะทำลายมันโดยไม่ต้องลงทุนหมดเปืองอะไรเลยแกหวาดกลัวมันเกินไปช้ยันสหายของเขาอึ้งไปอีกครั้งในคำพูดค่อยๆลดปืนลงบุญคำร้องบอกออกมาเสียงแหบว่าอย่ามัวไปดูมันเลยในายใหญ่รีบเผามันซะเถอะแต่บุญคาก็ยังสงสัยว่าไฟจะกินมันหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นซ่าอาถรรพ์หอหุ้มด้วยเวทมนต์ แช่ถาหัวเราะอีกครั้งมนก็มนละบุญคำไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยกับตาชัดที่สุดว่าจะมีอะไรในบ้างในโลกนี้ที่มีอำนาจยิ่งไปกว่าพระเพิงกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นถอยเข้ามายืนเคียงรายกับพานใหญ่อย่างออกคำสั่งว่าเอาละผู้กอง ช่วยจัดการชาปะกิจมันซะระพินภัยวันตะโกนร้องสั่งคนของเขาในทันทีทั้งหมดกระจายกันอยู่โดยเร็วเพื่อเดินหาไม้มาทำฟืนอย่างเร่งรีบต่างหยุดยั้งขบวนลงชั่วคราวตรงตำแหน่งนั้นแต่ภูเขาหินทั้งลูกแทบจะมองไม่เห็นไม้ที่จะนำมาเป็นฟืนได้แม้แต่ท่อนเดียวนอกจากพวกซุ้มไม้อันแห้งกรนซุ้มเล็กๆซึ่งงอกปลายอยู่ตามซ่อนหิน ทั้งหกคนแยกย้ายกันออกเดินแสวงหาในระหว่างที่กลุ่มนายจ้างและจอมพานหลบกำบงังเปลวแดดอยู่ใต้เพิงหินจับสายตาเฝ้าซากของมันไว้ในระยะที่ห่างออกไปเพียงไม่เกิน29กลุ่มพานพื้นเมืองแยกกันเดินห่างออกไปและเพียงแค่ระยะที่ทั้ง5คนสุดตัวนั่งลงกับพื้นนั่นเองห<ม>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจู่โจมโดยไม่คาดฝันและไม่ทันจะเตรียมระวังก็อุบัติขึ้นชัว่วพลิบตามีเสียงดังพลึบ ปรากฏขึ้นจนพันดินสะเทือนตรงตำแหน่งที่ซากถูกทิ้งนอนตากแดดอยู่นั่นพร้อมกับเงาดำเมื่อเมื่อมห่ือมาที่บางแสงตะวันเข้ามาราวกับดาหูทุกคนเห็นพร้อมกันหมดด้วยอาการตะลึงไปชั่วเซี่ยววินาทีเสียงชายยันร้องออกมาอย่างลืมตัวว่าเฮ้ย hey คนเดียวเท่านั้นเจ้าร่างทรรมืนมหฮมาที่ดูเหมือนจะกระโจนลงมาจากยอดหินด้านบนก็อ้าปากเห็นกรงเขี้ยวขาววับพร้อมกับแผดเสียงคำรามขู่ขวัญสะท้านสะเทือนมันไม่ได้พุ่งเข้ามาใส่ทั้งห้าคนที่นั่งตัวแข็งกันอยู่ในอาการต่างๆหากแต่ก้มลงอ้าปากคาบศพตายซากไว้ในกรงเขี้ยวอีกพรึบหนึ่งต่อมาก็คือเสียงที่มันเผ่นกระโจนขึ้นไปบนยอดหินก้อนใหญ่ที่มันกระโดดลงมาเมื่อพริบตาที่แล้ว กระพินกับชั ย, ยันขยุ่มไรเฟลิลที่ผ้าตักอยู่วัดขึ้นแล้วลำกล้องปืนก็ตีกันเองขรุขักอยู่ตรงนั้นเช่ถากระโจนขึ้นยืนแต่ก็ปะทะมาเรียผู้กำลังเหนื่อยจากพื้นแต่เสียงลั่นเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงซ้ำถียิบ เกิดขึ้นสามครั้งเป็นเสียงปืนสั้นจ3 5 7ที่กระชากขึ้นมาจากซองข้างเอวของมอรวอยิงดารินหล่อนเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสลั่นกระสุนขึ้นได้อย่างทันกับเหตุการณ์จากท่าที่นั่งหมดแรงพิงผนังหินอยู่ไรเฟิลจ0ย์ยังคงวางพาดอยู่กับตักและหล่อนไม่ได้ใช้มันเพราะฉวยขึ้นมาไม่ทันเป็นการยิงด้วยสัญชาตญาณแห่งความตกใจซึ่งบันดาลให้เกิดความบ้องวัยรวดเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ หัวกระสุนอันแรงฤทธิ์ทั้งสนัดไล่แถวตามติดหลังเงาดำขึ้นไปอย่างบุดวิดกระทบก้อนหินในระยะที่ห่างออกไปไม่ถึง1ิบเมตรแต่เป็นสะเก็ดสะท้อนกลับเข้ามาหาหน้าของพานใหญ่ผู้กำลังแล่นทลาเป็นธนูพุ่งจากแหล่งอย่างถนัดทนีเขาผงะกลับเอามือทั้งสองตะปบตาไว้แน่นแล้วยืนตัวงอหมุนคว้างอยู่ตรงนั้นเองหาทิศทางไม่ถูก แช่ถากับชายยันโจนผ่านผลตัวเขาออกไปโดยไม่ทันหันมาสังเกตเห็นพร้อมกับเสียงตะกนเอ็ดอึงราวกับเกิดมิกสัญญีเร็วมันคาบไอ้ผีนั่นไปแล้วท้ายประโยคถูกกลบด้วยเสียงกึกก้องของปืนที่ประสานกันนับไม่ถูกนัดซึ่งผ่านใหญ่ไม่มีโอกาสจะลืมตาขึ้นเห็นเหตุการณ์ต่อไปได้ในขณะนั้นดวงตาทั้งสองแปปวตแสบท่าไปหมด นอกจากเสียงรัวสนันวันไหวของปืนชนิดต่างๆซึ่งแผ่ะแสอยู่รอบตัวแล้วก็เป็นเสียงของความโกลาหลอื้ออึงของพรรคพวกฟังดูไม่ผิดอะไรกับแจ็คเลือแตกดูเหมือนจะแว่วเสียงเจ้าตัวคนที่เป็นเหตุทำให้เขาดวงตาพิการไปชั่วขณะดังแหลมแสกขึ้นด้วยคล้ายๆกับว่าหล่อนจัตโกโณ์ทางด้านนี้ซอกเห็นซ้ายมือ กันนั้นก็ได้ยินเสียงแหลมแสบแก้วหูของปืนสั้นที่ถี่ยิบขึ้นอีกสามนัดรอบด้านเป็นเสียงวิ่งคึกคักเสียงฝีเท้าก็จนไล่กันไปบนแง่หินท่ามกลางการแผดตกลส่งภาษาบอกความกันจนจำแนกไม่ถูกว่าใครพูดอะไรบ้าง จอมพานยังยืนมุนเคว้งโลกมืดมนไปหมดอยู่ที่เดิมต่อมาเขาก็รู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งเข้ามาโอบประคองไว้เศรษฐะเตะเข้าไปกระทบกับส่วนอกอันนุ่มหนักรากับสปริงแล้ววงแขนนั้นก็รัดไว้รอบไหล่เขาพยุงไพวันคุณเป็นอะไรไปเปล่าหาใช่คนที่เป็นต้นเหตุให้ตะเกียงของเขาดับไหมที่เข้ามาประคองถามร้อนรนอยู่ในขณะนี้หากแต่เป็นภรรยาไม้ของอดีตนายจ้างเราอาจจะเป็นคนเดียวที่หันมาพบกับอาการผิดปกติของเขา แล้วพินยังคงเอามือทั้งสองปิดดวงตาแน่นอยู่เช่นนั้นแยกเขี้ยวเสียงอาวาร้องเรียกถามมาเรียและล่ำาละลักหลวอนพยายามจะแกะมือเขาออกตาผมมันลืมไม่ขึ้นแสบแล้วเกินโอ้กอดถูกอะไรเข้านะ่สะสเก็ดหินมันปิวเข้าตาเขากัดฟันบอกมาเรียอุทานออกมาอย่างตกใจอีกครั้งกึ่งประคองกึ่งลากเข้ามาใตา้ร่มเพลิงหินกดให้นั่งลงนั่งเฉยๆอยากขยี้ฉันจะดูให้เอง ร่อนพูดเร็วปรือแกะมือที่กลุ่มปิดตาของเขาออกด้วยความเป็นห่วงร้อนใจขณะนั้นเองพักพวกที่ไล่ออกติดตามไอการยักษ์ก็วิ่งกลับมาด้วยความเรียวกลาดผิดหวังแต่แล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันเมื่อเห็นแมวสาวกําลังลุกรีลุกรนปทมพยาบาลพ่านใหญ่อยู่แล้วพินเป็นอะไรไปนั่นเชิดขาชายยามตะโกนถามลั่นพร้อมกับเห็นพูดพาดเข้ามาส่วนดาวรินจ้องอย่างพิศวงระคนตกใจ สะเก็ดหินแตกจากลูกปืนของน้อยกระเด็นเข้าตาเขามาเรียงหนุนหน้าขึ้นตอบทั้ง3อุทานออกมาด้วยความโกะหนกายจ้างชายทั้งสองกลาเข้าไปซุบตัวรายล้อมพานใหญ่ช่วยกันดูส่วนนายจ้างสาวคนสวยเข้ามายืนหน้าซีดงงอยู่ตรงหน้าคุณพาช่วยเป็นยังไงบ้างนี่เสียงของรอนเครือเต็มไปด้วยความเสียใจ